นี่เขารณรงค์เรื่องวันพระใหญ่วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้มีเรื่องเล่าไม่มีการดื่มกันขายไม่มีการขายขายเหล้าใครเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีซึ่งจริงๆนี่มันน่าจะทำมานานแล้วนะถ้าเราสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ อะไรขึ้นมาดีๆหน่อยก็ช่วยในการประยุงสังคมให้อยู่นานสังคมที่ดีๆนะก็อยู่นานแต่ที่ผ่านมาเรามีการต้มเล่าเสียรลีทำนู่นทำนี่อะไรประมาณเนี้ยเราไม่อยากให้มันมีการกระจุกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเฉพาะกลุ่มพ่อค้านายทุนเขามองไปอย่างนั้นนะก็เลยให้บ้านนอก ให้กลุ่มสากลกลุ่มอะไรทำเหล้าทำอะไรขายซึ่งผลดีมันจะมีนิดเดียวแต่ผลเสียในระยะยาวมีเยอะมากเขาบอกว่าถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ทำแต่ชาวบ้านก็กินอยู่เหมือนเดิมเลยวนะเนี่ยนั่นมันถือว่าเป็นการลงทุนให้ชาวบ้านเขาทำเอาเองแต่ก่อนเหล้าเถื่อนไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะ เดียก็มีกรรันรงแต่พูดมุสลิมเขาก็ดีนะไม่ค่อยมีไม่มีมันจะไม่มีเล่าเคยคุยกับเขาเขาบอกว่ า, าศาสนาพุทธนี่ดีมากไม่ดีมากๆเขามองที่การปฏิบัติคือมารับศีลห้าออกจากวัดไปปุ๊บ ก, ก็แล้วแต่จะเมาจะอะไรก็ได้รับศีลแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แต่ เวลาคุยเขาเข้ามาปฏิบัติทมที่นี่เขากว่าจะได้อารมณ์พุทธศาสนาเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่นั่นแหละฝึกสติตัดความคิดตัดอารมณ์ได้ปิติในน้อยจึงมีความรู้สึกว่าโอ้การจะเข้าถึงพุทธศาสนานี่ยากมากเนาะไม่ว่ากว่าจะเห็นร่องเห็นรอยมนันนิดหน่อยๆนะเราก็ลังตามหาตามหาบัว กว่าจะเห็นว่ารอยบัวมันไปทางเนี้ยตัวมันมีแน่ๆน่ะเห็นรอยไปเนี่ยคือเกิดปิติเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยยากๆเขาน้อยอยากทาทอะไรเนี่ยต้องให้มันถึงแก่นถ้าไม่ถึงแก่นเนี่ยเราจะมองอะไรผิดๆเมื่อวานนี้เก็บต้นไม้ขึ้นรถเนี่ยไปเจอตัวบื้องตัวหนอนก็มีความรู้สึกเอ้ยมีโยมี่จะกลัวกลัวตัวนอนนะ ก็เลยหยิบเอาตัวหนอนเนี่ยไปใส่ใส่คนที่กลัวนะ mm hmm. ก็จะมีความรู้สึกว่ากลัว mm hmm. นะตกใจอะ น, นี้ mm hmm. คืออะไรก็ถามที่เรามองไม่ถึงแก่นเนี่ยต้องจะอยู่กับธรรมารมของเราเองนะอยู่กับสังขารอยู่กับอุปทานทุกข์ของเราเอง ถามจริงๆอ่ะเราถามใจตัวเราถ้าเรามีอยู่นิ่สมนสิกาหน่อยเราก็จะถามตัวเองว่าจริงๆเรากลัวหนอนหรือเราติดความกลัวตัวหนอนตัวบุ้งตัวหนอนเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวความจริงเนี่ยเรากลัวตัวหนอนไหมมันมีพิษมีภัยมีอะไรไหม หรือเราติดความขยะแขยงเป็นภาพอุปาทานที่เราน่ากลัวอยู่ในจิตเราถ้าเรามองเห็นแก่นมันแบบนี้เนี่ยมันมันผ่านได ท, ทุกอันอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะราคะโทสะโมหะถ้าเรามองจริงๆเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้รักใครเลยเราไม่ได้โกรธใครเลยเรารักอุปาทานเรารัก ตัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวธรรมอารมณ์เนี่ยควาราคะโทส ะ, ะเนี่ยโลภะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยากได้อารมณ์อะไรไม่อยากได้วัตถุสิ่งของอะไรเลยกับโลกเนี่ยแต่เราอยากมาตอบสนองอารมณ์แบนี้ยอารมณ์ที่มีความอยากอันเนี้ยเหมือนกันนะ่ะเวลาเราเห็นหนอนเนี่ยเรากลัวหนอนเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กลัวหนอนนะ ถ้าระมองดีๆนี่มันจบการศึกษาสูงไม่จบปริญญาตรีปริญญาโทมันเราวไหมมันมีความดุร้ายไม่พิษส่งมันเหมือนงูไหมงูนี่เวลาเห็นแล้วมันจะมีความระวังแต่ไม่ถึงกับกลัวมันอืแต่เราจะระวังเราดูเป็นโอ้อันนี้ไม่มีพิษเนาะต้อเระวังแต่จิตหวาดกลัวกับความความกลัวอนั้นกับความจริงมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกลัวตัวนอนเนี่ย จริงๆเราไม่ได้กลัวหนอนบวกรคปูนหานยังไงมันก็ทำร้ายเราไม่ได้มันไม่มีพิษมีภัยอะไรเพียจะว่ามันรู้สึกว่าน่าเกลียดแต่มันไม่น่ากลัวถ้ามองว่านี่เป็นวงจรของชีวิตเขาระยะหนึ่งก็จะเป็นไปนเนี้ยเขาก็ไต่เต้าไปเป็นผีเสื้อผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยตอนนั้นน่ารักแต่ตอนนี้ไม่น่ารัก จริงๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่เยียบขายในการมองอารมณ์ตัวเองเราไม่มีเหตุมีผลมีอะไรโดยซ้าไปว่ามันดีไม่ดีถูกผิดอะไรต่างๆคือมันเข้าไม่ถึงแก่นนั่นเองสมาธินี่คือการเข้าถึงแก่นธรรมนะจิตเราเบาจิตเบาเมื่อจิตเบาพลดไม่สำเร็จ ทมความปรารถนาความประสงค์ของเราพลดบำเพ็ญพลดพลดพล ด, ล ด, ลดมันไม่หนักแน่นพอดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมก็จ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะเจริญสติเพื่อให้เป็นสมาธิถ้ามีสมาธิจิตว่างปราจจะนิวรธรรมเขาขึ้นดีเนีนะ่ยปีติยาจะวิราคาจะถ้ามีปีติเกิดขึ้นแค่นี้เองจะสามารถตัดกาม กามนี่มันจะหายไปถ้ามีปีติเนี่ยมันจะกลายเป็นความว่างความสงบสงัดขึ้นมาความใคร่ยทั้งหลายดับหายกลายเป็นใจที่ว่างๆใจที่โลง่งๆเอาใจที่โลง่งๆนี่มันกลัวอะไรเีถ้าเรารู้จักใจที่โลง่งใจที่ว่างสักระยะเวลานะสักครู่สักอยา่างมีความประทับใจกับอาการนี้ได้จริงๆชัดๆเนี่ยมันจะช่วยยก ระดับฐานะที่ตั้งหรือฐานของจิตเราได้แบบง่ายๆรู้สึกว่ามันนควรจะอยู่ตรงนี้นะมันสงบนะกลกับจิตเราเราจะเอามันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มเห็นทมความเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยมองอะไรมองให้ถึงแก่ น, นถ้ามองไม่ถึงแก่นเราก็จะติดอารมณ์แบบตื้นๆแก่นมันมองไปที่ไหนไม่ใช่มองที่แก่นสารสาระ ว่าอันนี้เอาไปใช้อะไรได้มันมีคุณสมบัติชนิดไม่ใช่แก่นนื้คือสัจธรรมมองให้เห็นแก่นถ้าเห็นแก่นสัจธรรมก็สบายนยีทุกอย่างโอ้มันเป็นความว่างอย่างนี้เนาะมันไม่มีอะไรนะเนี่ยอยู่ทําก็ได้อยู่เหี้ยก็ได้อยู่ตรงที่เขาว่ามีผีมีสางมีอะไรต่งต่างเนี่ยมันไม่มีในใจเราเนี่ย มันไม่ได้มีตัวเกาะกําเนิดเกิดมาเป็นแบบ น, นี้มีงูก็เห็นงูงูก็คืองูเสือก็คือเสือโรคก็คือโรคอย่างเนี้ยถามว่ามันมีพิษส่งมาแต่อะไอย่างเนี่ยมันไม่ใช่พิษเนี่ยแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติเขาได้มาแบบนี้บางทีไอ้ความกลัวเนี่ยเราก็จะกลัวตามความเป็นจริง แต่เราไม่ใช่มีความหวาดกลัวความหวาดกลัวคนทั้งหลายกลัวความในอยู่กับความหวาดมันหวาดนะเหมือนใจเรามันมีลูกตุ้มมาหนึ่งนะอุปทานเนี่ยมันถ่วงเอาไว้มันถ่วงใจคือเราจะไปอยู่อีกทางหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าล้ำเหลิมมันรับน้ำหนักทางนี้มันมากมันฝังในใจเราเยอะเราไม่อยากทุกข์นะ แต่มันก็ทุกเราไม่อยากหวาดนะแต่มันก็หวาดมันสะสมเยอะปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นเยอะขึ้นด้วยเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเลยเยอะยิ่งนานวันไอ้ความเป็นผู้มีเหตุมีผลนี้ก็หายไปเพราะมันมีความกลัวเกิดขึ้ น, นเยอะเกินไปในแง่ของสัจธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่า น, สนแสดงธรรมวัณณสาระบูชา ส่วนหนึ่งก็คือท่านแสดงทำมาจากกวัตนสูตรทำมาจากกัจจคปวัตตนสูตรประสูตรว่าด้วยกันหมุนซึ่งทำปกติทำมันนอนตายอยู่นะมันไม่มีอะไรเลยสติก็ไม่เคยถูกมากำหนดรู้ทำวิจัยก็ไม่สู่การกำหนดรู้ ความขยันขันแข็งก็ไม่เคยขยันที่จะมาเฝ้าดูจิตตัวเองไม่เคยเห็นว่ากายกับใจมาอยู่กันด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้กายเบาจิตเบาแล้วปล่อยวางภาระธุระทั้งหลายความคิดเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าจิตมีความเห็นว่าทุกเป็นอนัตตามันเพียงเพียงสักแต่ว่าเป็นอาการเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นความจริงเนี่ยเมื่อนั้น แค่เห็นเนะยมันคลายเป็นความเบาขึ้นมาใ น, นจิตเนี่ยแค่เห็นว่ามันไม่มีตัวตนเห็นว่าเป็นความว่างโอ้เห็นทุกข์เปิดจากกันหนักกันแบกนะอยู่ๆก็เราเกิดสลัดทิ้งลงกับพืน้นปุ๊บไปอา้ามองเห็นว่าไอ้ความทุกขนะ์น่ยเป็นคนละอันกับตัวเราเองตัวจิตก็ตัวหนึ่งตัวยึดก็ตัวหนึ่งวัตถุอารมณ์อันหนึ่งอ่ะ เรายึดเอามาแบบแบบใส่บาใส่อะไรเรามันรู้สึกว่ามันหนักแต่พอเราเห็นวอาเราเห็นทุกนะเห็นทุกระดับหนึ่งมันตึงเกิดปีตินะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนละเห็นเป็นทุกข์ที่ไม่ควรไปยึดมันถึงเบาขึ้นมากายนี่มันเบาจิตมันเบามันไม่ได้แบกเหมืนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันแบกแล้วมันหนักไม่รู้ แต่ทีนี้มันก็เริ่มรู้ละเออมันเบาขึ้นมามันปล่อยได้วางได้จิตมันก็สบายนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าถึงความจริงสัจจะของจิตสัจจะของชีวิตเนี่ยมันเบาทต่ดีเลยใายเบาจิตเบาเบากันอย่างแบบภาระนะไม่ใช่เบาแบบตกใจง่ายกลัวง่ายเกลียดง่ายเห็นอะไรก็อยู่พื้น อยู่กับสัญชาตญาณเนี่ยมันพาเกิดอคติรเนีมันเอียงจิตมันเอียงเอียงเพราะมันหนักรักราคะจริตมันหนักเพราะชังเอียงเพราะกลัวเอียงเพราะโลภคือมันไม่อยู่ตรงกลางมันเอียงเอียงไปทางใดทานหนึ่ง นั้นเราก็ต้องเห็นอาการของมันโอ้มันเอียงมันหนักเป็นแบบนี้เนาะชีวิตเนี่ยไม่มันเอียงเอาโพนี้ออกมันก็กลับมาเบามาตั้งเที่ยงตรงเหมือนเดิมคือจิตไม่มีอารมณ์มันก็จะสบายแต่ถ้าจิตมีอารมณ์ก็ทําให้เป็นทุกข์ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากอะรเกิดจากความเข้าใจผิดกับการมองปรากฏการณ์สุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายปัญหา เกิดขึ้นกับจิตกับชีวิตเราเพราะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราปัดเพราะนี่ออกไม่ได้เห็นไหมเวลามันติดความง่วงจิตมันก็เอียงไปทางความง่วงตัวก็เอียงไปทางความง่วงะติดความคิดก็เอียงไปทางความคิดหนักคิดเรื่องอะไรละก็หนักไปทางนั้นเ่ะนั้นแกะมันออกจิตมันก็จะดีดกลับมาตรงมันเดิมเหมือนเถาวันเนี่ที่มันผูกพันไม้ถ้ามันเกี่ยวนานเข้านานเข้านานเข้างอ คดไปตามรูปทรงนั้นเลยนะเพราะมันเอียงไว้มันดึงนะมันจับมันจองมันจ่องลงไปอะแต่ถ้าเราตัดปุ๊บเอามันก็ดีดขึ้นเหมือนเดิมนะถ้ามันยังไม่นานนะแต่ถ้าดึงลงไปจนเป็นนิดัยแบบนั้นแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนถึงตัดแล้วมันก็งอเหมือนเดิมเพราะมันงอแล้วยิ่งถ้ามันต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆ่มันถูกดึงดัดรูปทรงไว้ จนเมื่มันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นรูปแบบนั้นแล้วตัดเถาวันขาดทิ้งไปตัดเครือออกมันก็จะงอเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าคนแก่เนี่ยปฏิบัติทำมันฝืนย่าฝึกยากมันแก่ไม่ค่อยออกนะมันเยอะแล้วอายุมันเยอะแล้วงั้นเราก็ทําำๆตั้งแต่ตอนที่มันเพียงแต่คิดน้อยๆเนี่ยตั้งแต่มันปรุงแต่งน้อยไม่ใช่ให้มันเยอะแล้วคนมาแก้ไข มันจะแก้ไขยากอะ้รนะเขาเรียกว่าพอแกะออกแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมนิสัยเขาเรียกว่าวันาวัสนาวาั ส, าาสนานี่ไม่มีอะไรวัสนานี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงได้แต่กิเลสวัสนานี่เปลี่ยนไม่ได้พฤติกรรมนิสัยไม่ทุกนะแต่เขาเคยเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้น อย่างบางคนเคยเป็นอะไรเเป็นนักแต่งเพลงหรือเป็นหนพอปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วก็วาก็กลายเป็นแต่งเพลงธรรมะธรมโออะไรไปอยนะ่างงี้ยคือมันไม่หนีห่างนะคนเป็นหมอไปบวชเนี่ยคือจิตมันถ่วงไปทางนั้นนะอา้าแต่ละอาทิตย์ก็รักษาคนไข้นะเหมนคนหมอที่ไปอยู่หลวงพ่อพเมืองนะกระสินเนี่ย จนทั้งทางวัดก็สร้างคลินิกในวัดให้เลยมีคลินิกในวัดทัานหมอแต่ละคนแต่ละคนก็นั่นแหละกับกลายเป็นว่าหมอไปเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนฝูงอะไรนี้โอ้บวดมาก็ได้ทำงานบางทีก็ค่อยติดต่อมาเอาไปมาคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ทำงานอยู่นะปวดมาเนี่ยก็ไปบวดก็รู้สึกว่าคุ้นเคยก็ได้ทำหน้าที่เป็นหมออยู่เหมือนเดิม ส่วนมากจะเป็นหมอตาหมออะไรเนี่ยเดี๋ยวและวันเสาร์วันอาทิตย์จะเปิดคลินิกทีนี้คนนะ่ะอย่าคิดว่ามันจะมาวันเสาร์วอาทิตย์นะมันรู้ว่ามีหมออยู่มีปัญหาปุ๊บก็ไปทันทีะต้องคลินิกเพราะท่านสร้างคลินิกอย่างดีเลยสําหรับตรวจในวัดท่านขอก็อรู้คือมัน เราเข้าใจเรื่องสมมุติหรือวาสนาอันที่เรามีที่เราไปทําเนี่ยวัสาธาติความสั่งสมมันก็จะจมอยู่กับมันนี้เรื่อยๆเราไม่ได้เห็นว่าเออเอาทำตามความจริงทําตามความปจริงอะไรที่มันความจริงแท้ๆน่ะคืออะไรคือการยกสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตให้เหลือแต่ความจริงล้วนของสัจธาตุสัจธรรม ไม่ทำตามมาละวาสนาพาไปไม่เอานะเราเอาพวกนี้ออกให้เหลือแต่ธรรมชาติคือถามว่าไอ้ตัวเป็นหมอเนี่ยเป็นกิเลสตัณหาเป็นอะไรไหมถ้ามองตื้นๆก็ไม่เป็นเขาก็ทำได้ใจดีนะทาเหมือนทำหน้าที่ ด, ดีแต่ถ้าจะมองไปในแง่ของสัจธรรมมันก็ยังเป็นอารมณ์ที่เราไปปลูกพันเราสร้างสมขึ้นมา เมื่อทีเราก็ไม่ได้ใช้ตามความเป็นจริงแล้วทากบคนี่ทําจริงไม่ทําจริงแต่ความจริงของเราเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าถึงนแต่มันเข้าไม่ถึงพอไม่เข้าไม่ถึงมันก็มีลูกตุ้มใจอันนี้ยถ่วงเอาไว้มันมีลูกตุ้มมันเนี่ยมันถ่วงเอาไว้อย่างเรารักใครมันมีความรักอยู่ลึลกๆเราก็จะคิดถึงเขาแต่ก็คิดถึงเรื่องเอา้าอยากให้ปฏิบัติทำอยากอะไรประมาณเนี้ย พอเราปฏิบัติรมแล้วมันมีลูกตุ้มยังถวง่วงจิตเราอยู่ดังนั้นนวดแล้วทําแบบไม่มีห่วงไม่มีใยไม่มีห่วงถ้าเป็นห่วงอา้ามันกระทุกตันเดียเวลาคนถามมาเอา้าทัวมาเรื่องอะไรอ้าเป็นห่วงวะ่ะเป็นห่วงก็คือมันสร้างห่วงขึ้นมาตันเดียมันบ่งบอกถึงเราโง่นะเป็นห่วงเนี่ยเราเริ่มเป็นห่วง เป็นที่ไหนคะเป็นที่ใจเนี่ยมันเริ่มเป็นที่ใจล้วเป็นใจเป็นห่วงห่วงก็ไปครองอย่าไปสร้างห่วงพออา้าวโทรมาทําไมเป็นห่วงโห้ทาลายห่วงซะอพอเราพูดอย่างนี้เขาหาว่าไม่ถนอมนําใจอุตส่าห์เป็นห่วงนะแบบนั้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ นะคือทำลายห่วงก็ลบห่วงมันทิ้งก็ไม่ให้มันมีอย่าไปสร้างห่วงนะเนสร้างห่วงห่วงก็บวงก็เดียวกันนั่นแหละนะอย่าสร้างห่วงมาคล้องช้างมันไม่ติดหรอกเนช้างมันตัวใหญ่ตัวหนักบางทีก็กลายเป็นความคิดถึงอา้าวถ้าคิดตอนนี้คิดนะคิดเป็นนามรูปพูดขึ้นมาส่วนพูดเราตัดก่อนอา้าวคิดแต่ยังไม่ถึง แต่ถ้าคนรู้ตก็คิดถึงนะคิดแล้วถึงจะดีอ่นะคิดถึงก็เป็นเชือกเป็นเยื่อใหญ่ผูกพันบางทีมีเชือกคิดถึงนะแต่ผูกไม่ติดก็มีนั่นจะทําอะไรก็ตามนะอเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยมองให้มันถึงแก่นถ้าเห็นแก่นแท้ของธรรม ธรรมะมาเป็นแบบนั้นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเรามองไม่ถึงแก่นของธรรมชาติเราจ ะ, ระติดอยู่ตืต้อๆแล้วก็งงเ ง, งิยแสดงอาการอวินเวียนน่ะเวีย ง, ย ง, ยงอะไรตีโพยตีพายกับคนโน้นคนนี้นะเราเห็นไหมเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมในเสียงในน้ําเรานะปว้าปวาาะป้วะเขาตีเขไลลาไนละ่ป่าโอ้อะนี่เนาะเขาเรียกว่าตีโพยตีพายเนี่ยแบตีดังอย่งังไะ ตีโพยตีพายคือทำเดาสุ่มไปในเองเวียงไปแต่ปลาก็ไปติดนะเขาตีโพธยตีพายถ้ามันมีปลานะถ้ามไม่มีปลามันก็ไม่ติดนะนั่นทุกอย่างเนี่ยทำเอาให้แม่นแม่นนะปินี้ปีเคราะห์ดีๆทุกอย่างอุตางหอนง่ายๆคือเห็นหนอนนี่แล้วกลัวหนอนเหรอหรือกลัวความกลัวหนอนนี่มันน่ากลัวหาเหตุผลมันไม่มีอะไรนะ่ากลัวนะ มันได้มีพิษสงอะไรมันได้มีอะไรแต่จิตอันนั้นเนะ่ะจิตของเราเนี่ยเรากลัวจิตอันเนี้หนอนถ้ามันมาเข้ามาปรุงจิตเราจิตเราก็เกิดความกลัวพื้ขึ้นมาเรากลัวอันนี้แล้วหนักหนักต้องวิ่งหนีเนะี่ยจิตนะถ้าเรามองเห็นแก่นของมันจริงๆงโอ้พินิษฐ์พี่เคราะห์ดีดีอนะ่ฝึกสติดี <c oughs> ดีตักบาพระพร้อมกัน <c oughs>